ก็คำเขียนเคยเล่าให้ฟังว่ามีความนึงมีอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดโมก็มีโยมคนหนึ่งก็ตั้งใจในการปฏิบัติทำวัดเช้าวัดเย็นก็ไม่ได้ขาดร็่แล้ววันหนึ่งก็ไม่เห็นโยมคนนั้นมาทำวัดเช้า ไดเวลาอาหารก็ไม่เห็นมาตักอาหารหลวงพ่อก็เลยแวะไปหาที่กุติพขาไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าพอไปถึงเถามเรียกถามที่หน้ากุติเขาก็พูดต่อมาว่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วย ช่วยผมทีช่วยผมทีพ่ก็เลยเข้าไปในกุฏิปรก็ว่าเห็นเา่านั่งอยู่แล้วก็ยกมือค้างเอาไว้เพราะว่ามือมันติดเอาลงไม่ได้ติดตั้งแต่ตีสี่แล้วเลยไปทำวัดเช้าไม่ได้ ติดค้างอยู่นั่นเป็นชั่วโมงยู่มาทังหลังอาหารเช้าไปแล้วก็นึกดูคงสามสี่ชั่วโมงติดค้างงั้นแหละก็อยู่ในท่าสร้างจังหวะแต่วันไปต่อไม่ได้ติดทำไงก็เอามือไม่ลงหลวงพ่อรู้ว่าเขาติดอารมณ์ก็เลยแก้อารมณ์แต่ไม่ได้แก้ด้วยการ พูดเรื่องปฏิบัติธรรมชวนคุยถามว่ามีลูกกี่คนลูกเป็นยังไงบ้างดูแลดีไหมมีอะไรเป็นห่วงหรือเปล่าพา่อคนเล่าเรื่องลูกเล่าเรื่องแต่ละคนแต่ละคนห่วงยังไงบ้างเรียนหนังสือทํางานกันอย่างไรหลวงพ่อก็ชวนคุยไปซักถามไปคุยไปคุยมาแวก็มือที่ติดค้างอยู่ก็ตกลงมา โดยไม่รู้ตัวสักพักเขาก็เลยสังเกตได้ว่าโอ้บุดแล้วเนี่ยก็เลยขอบคุณหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เขาไปตั้งใจปฏิบัติก็เพ่งมากไปการที่ไปเพ่งมากไปนี่มันทำให้เกิดอาการติดทางอยู่ จะไปเพ่งที่มือแล้ไปเพ่งที่ความคิดอาการเพ่งนี่มันทำให้เกิดผลแปลกอย่างสมัยอาตมาปฏิบัติใหม่ๆสองสามอาทิตย์แรกมีปัญหามากเพราะว่าตั้งใจปฏิบัติเวลาจรเินสติสร้างจังหวะเดินตนโกลนี้ มันฟุ้งมากเลยพยายามที่จะรู้ทันความคิดมันก็ไม่ทันจงกระทั่งตอลังต้องไปดัดความคิดว่ามันจะมาคิดเรื่องนั้นเราก็เตรียมาไว้ก่อนพอมันโผล่มาเรื่องนั้นเราก็ตะบปลมันเลยเรารู้ว่ามันจะไปในแนวน้นก็ตะบปลมันมันก็เลิกคิดเรื่องนั้นนะหรือคิดน้อยลงแต่ไปโผล่เรื่องอื่น เรื่องงานเรื่องการเราก็ห้ามไม่ให้มันคิดเรารู้ทำตอนตักน้าไว้แล้วก็ไปโผลเรื่องอื่นไปโผลเรื่องที่ทำงานแล้วคราวนี้ไปโผลเรื่องที่มันเราก็ตะโกนอีกวนันนึงก็ไปไปหาเรื่องคิดที่มันแยกขายมากขึ้นเช่นคบคิดเรื่องธรรมะเรื่องที่หลวงพ่อเทียนสแสดงคำ พอเผลอเนี่ยคิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีก็เผลอคิดไปมันรู้ตัวที่เขาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก็ตะปบมันนี่ไปดักมันเอาไว้พอทงนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยความคิดมันก็หายนะแต่มันไม่ได้ไปไหนมันหลบไนสังเกตดูความคิดเพื่อดูความคิดนี่ทั้งวันนี่มันเป็นชั่วโมงชั่วโมมันไม่เคยคิดอะไรเลยแต่รู้สึกอย่างนี้เพรมันหนัก มันหนักอึ้งมันหนักอึ้งที่ใจนักอึ้งที่หัวแต่ความคิดมันเงียบเนาะมันหายมันโผมาก็โผลมานิดหน่อยหน่อยโผมาแล้วก็ตะกบโผมาแล้วก็ตะกบห้ามมันเอาไว้แต่พอกลางคืนเข้ากลางคืนนี่มันฟุ้งใหญ่เลยมันพรั่งพรูมันก็มันดังลอยออกมา คือพอเราเผลอมันก็ออกมาเยอะแยะวก็เคยห้ามันก็เอาไม่อยู่นอนไม่หลับแต่มไม่ใช่แค่นะั้นพอวันรุ่งขึปฏิบัติเอาจริงจังมาน่งคราวนี้มันเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดปวดที่ขาบางปวดที่แขนบ้างแล้วก็หนักขนาดที่เรียกว่าพอยกมือสร้างจังหวัดแค่ไม่ถึงนาทีอ่ะมันเครียดขึ้นมาเลย เครียดจนทำต่อไม่ได้เพราะว่าหลายก็ปวดแล้วก็มันเครียดจนตึงไปหมดที่หัวทีนี้ก็พอหลวงต่อคเเรียมมาสอบอารมก็พอจะได้จับสาเหตุได้ว่าเป็นเพราะเราไปไปยงมากไปเราไปเพ่งทั้งที่เดยพอดีตัวความคิด คือไปดักรอมันไว้เลยแล้วก็เตรียมตะปกเตรียมห้ามันอันนี้เป็นเพราะความตั้งใจมากเป็นความตั้งใจไ้่เป็นความอยากตัวนั้นไม่ไม่รู้ว่าเป็นความอยากคือมันอยากจะเอาชนะความคิดมันอยากจะสงบมันอยากจะมีสติไวๆความอยากนี่ทํ า, าทให้เราทำทุกอย่างรวมไปถึงไปควบคุมบังคับความคิด หน้าที่มันมันไม่ยอมให้เราบัคงคับเราไปตบปลกมันมากๆมันก็หลบหน่อยแล้วก็อัดนั่นมากขึ้นเรื่อยๆ อ, อัดอัดออพอถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดออกมาระเบิดออกมาเป็นความทุกุ้งรมาร์ตระเบิดออกมาเป็นความเจ็บความปวดตามเจุบต่างๆที่เราพักจะเป็นอยู่แล้วคือเป็นคนที่ชอบปวดไหลอยู่แล้วพอเคมากๆก็ประถุมาทางนั้น เงินภูเาไฟมจะระเ บ, เบิด ม, มันก็ระเบิดตรงจุดที่มันอ่อนที่สุดนถะ้าไม่รักษาออกแขนหายขาหายปวดใจมันก็ก็เครียดจะถอนจากความเครียดนี่ยากมากเลยเพราะว่าสร้างจังหวะทีไรมันก็เป็นเดินตรงกลมก็ไม่ค่อยได้เพราะขายังไม่ค่อยหายดีก็เลยมันกิดตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไปไหนไม่รอดท้อแท้ขึ้นมา อยจะเลิกปฏิบัติรอคอยแต่ว่าเมื่อไหรจะครบเดือนเี็กสี่ก็ตั้งอธิษฐานไว่าจะจะอยู่ที่วัดสนามไหนให้ครบเดือนจะไม่ไปไหนจะสู้กับอุปสรรคจนกว่าจะครบเดือนแล้วก็ค่อยคนเขตอธิษฐานก็จะไปละปฏิบัติคงจะปฏิบัติไม่ไหวแล้วแนว น, นี้ตั้งใจว่าจะไปสวนหมู่ ก็เลยแค่ประคองตัวเอาไว้หรืออาทิตย์เดียวประคองตัวไว้ให้การปฏิบัติให้ให้ครบเดือนเท่านั้นเองเลิกหวังแล้วแต่ว่ามันก็ยังเครียดอยู่เรื่อยๆไอเรียบบทที่เลยที่ใช้ที่ทำก็คือการนั่งมือลึงนมือพาอสร้างจังหวะ ก, ก็ไม่ได้เดินโงกมก็ไม่ไหวพอกลวว่ามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเพราะว่าจิตของเรานี่มัน มันไม่เพ่งเข้าไหนนะมันก็ค่อยคลายออกไปคลายออกไปมันเหมือนกับดสปริงที่มันถูกกดไว้เตึงมันกค่อยคลายออกคลายออกคลายแล้วเราก็พบว่าการที่เวลาจิตมันเพ่งเข้าไหนแล้วมันจะคลายนี่ยากมากเวลาฟุ้งและรู้ทันความฟุ้งนี้หรือเวลาเผลอตามความที่เรารู้ทันความคิดนี้มันยังง่ายกว่า มนันง่ายที่จะออกมาจากความฟุ้งได้ง่ายง่ายกว่าที่จะออกจากความการเพ่งเท่าไหนคือพอเพ่งแล้วมันออกมายากออกมายากเพียงแค่ตั้งใจจะออกมาเท่านั้นมันก็ไม่ยอมแต่ว่าพอเราเริ่มแค่เพ่งนิ้วนะไม่ตั้งใจหรือ ว, ว่าไม่มีความไม่มีความหวังที่จะปฏิบัติได้จิตนี้ค่อยคลายออกคลายออคายแล้วก็เริ่มจะสมดุล เพราะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่ออมเทียนได้ยกตัวอย่างของพอออกคนหนึ่งขึ้นมานี่มันก็เป็นอาการคล้ายๆแต่เขาหนักกว่าพรเขาเพง่งเพ่งเข้าไปเต็มที่เลยเรื่องการปฏิบัตินี้เราต้องระวังให้ดีนะเผลอก็ไม่ใช่ทางเพ่งก็ไม่ใช่ทางการปล่อยใจลอยพุ่งอันนั้นเราทําไปประจําอยู่แล้วไม่มีทางที่จะ เป็นทางที่ถูกได้แต่การที่จะไปบังคับความคิดความรู้สึกกดข่มมันเอาไว้อันนั้นก็เป็นทางสุดตรงอีกทางการเจริญสติมันเป็นทางสายกลางแท้ๆคือการอาศัยจิตที่เข้าไปเห็นและรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมา เข้าไปเห็นนี่ไม่ใช่เห็นด้วยความตั้งใจด้วยการบังคับให้มันเข้าไปเห็นนะแต่ว่าจิตเห็นเองเพราะเราลึกได้ความระลึกได้นี่ไวเท่าไหร่ก็เห็นเร็วเท่านั้นแล้วก็จะรู้ได้ไวเมื่อรู้แล้วก็จะละแต่ถ้าเข้าไปบังคับให้มันเข้าไปเห็นมันก็จะกลายเข้าไปเป็นนันทีเลยเข้าไปเห็นความคิดเลึกไปเป็นความคิดเลย เป็นผู้คิดแทนใจเห็นความโกรธก็กลายเป็นผู้โกรธทันทีแทนที่เห็นความเครียดก็กลายเป็นผู้เครียดทันทีการเห็นกับการเป็นนี่มันห่างกันแต่ น, นี้มันก็หมดเนื้อหมดตัวเลยเครียดก็หมดเนื้อหมดตัวการเจรุลสติคือการที่ทําให้เรามีระยะห่างกับพวกความคิดความรู้สึกแต่ตอนนี้เราไม่มีระยะห่างเราเข้าไปผสมปนเปกับมัน โดยความเผลอบ้างการเพ่งก็เหมือนกันเพ่งนี้มันก็เป็นการทําด้วยความอยากซึ่งจะรวบเป็นการเผลออย่างนึ่งก็คือเผลอไม่รู้ทันในตัวความอยากที่มันเป็นปัญหาที่มันอยากจะเอาชนะเราปฏิบัติเราให้เราทําด้วยไม่ใช่ด้วยความอยากที่จะได้ผลแต่ทําด้วยความชอบที่จะได้ทํา สัรหานี่มันอยากจะได้อยากจะได้มีอยากจะได้เสษแต่ว่าฉันท่านี่มันชอบมายถึงความชอบที่จะได้ําคือชอบที่จะประกอบเพจผลจะเป็นอย่างไรไม่สนใจไม่ใส่ใจเท่าไหร่แต่ชันท่านี่มันจะไปมุ่งที่ตัวผลคือมันอยากได้ผลนะที่ไปตอบสนองตัวตนนะเช่นถ้าเอาชนะ ดีเลดได้เอาชนะความพุ่งซ้านได้มันก็จะเกิดความภาพภูมใจในตนเองรนึกถว่าฉันเป็นผู้ชนะนะหรือว่าสามารถจะไปอวดคนได้สามารถจะไปผู้โชว์หรืออวดได้นะว่าฉันปฏิบัติเก่อา ง, งากอย่างนี้เป็นเก่งอย่างนี้แต่ถึงไม้ไม่โชว์ใครไม่อวดใครก็อวดตัวเองก็ก็ยังดีอันนี้เราตันถะให้เราก็ต้องต้องระวัง นะเปลี่ยนตันหายเป็นฉันทนะั้นนะคือไม่สนใจผลแต่ว่ามุ่งประกอบเหตุที่ความพอใจที่ได้ทำเพราะว่าถ้าเราประกอบเหตุดีผลมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องแสดงตัวออกมาเหมือนกับเรามีเราลดน้ำกล้าไม้ถ้าเราลดน้ำด้วยความเพียรด้วยความใส่ใจห ร, หรือถูกทางนะคนม้นก็ จะเลยงอกงามแล้วหนูสุกอ็ออกดอกออกผลเองเราจะไปขอร้องไปบังคับ้นไม้อย่างไงมันก็ไม่มีทางจะโตแล้วออกดอกได้จนกว่าเราจะประกอบให้ถูกทางแล้วเมื่อเราประกอบถูกทาง แ, แม่จะไม่อยากให้มันออกมันก็ออกอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อเวลาจะฟักไข่แม่ไก่แม่จะไม่อยากให้มันออกมาเป็นตัว ให้สูงก็ออกมาเป็นตัวจึงได้แต่ถ้าไม่ฟักไข่แม่จะอยากให้มันออกมามันก็ไม่ออกมาลูกไก่ก็ไม่ออกมามันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราตรนันข้ามความอยากของเราอาจจะทําให้มันเกิดปัญหาโดยเฉพาะกา ร, ปรเปลี่ยนทางจิตซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียด อ, อ่อนอย่างการฟักไข่หรืออย่างการลดน้ําต้นไม้นี่เราอาจจะลดน้ําไปด้วยอยากไปด้วยก็ได้ลดน้ําไปด้วย ขอลองมันให้ hey, ต้นไม้ออกดอกออกผลเร็วๆ ท, ทําไปด้วยความอยาก ท, ทําไปด้วยความทำไปด้วยตัณหามันก็ยังพอได้นะเพราะการรดน้าต้นไม้มันเป็นกิจที่ไม่ไม่ใช่ละเอียดอ่อนแต่เรื่องการบ่กเป็นสมาธิพอาเรื่องที่ลเดียดอ่อนมากเพียงแค่จิตมีความอยากมีตัณหาเข้ามาจิตนั้นก็เสียสมดุรมแล้วถ้าเมื่อกี่จัตยายกนก็มันก็ว่า ตัวเอเียงนะเอียงเองมากๆกมันก็ลม้มขึ้นมานึ่งไปต่อไม่ได้การการปฏิบัติเจริญสติเมื่อเมื่อการต้องสายการประคองจิตให้อยู่บนทางสายกลางเหมือนแต่เราประคองตัวเวลาขับรถจักรยานเราก็ต้องประคองอยู่บนทางสายกลางคือทรงตัวให้ได้สมดุลการเอียงไปทางซ้ายมากไปเอียงไปทางขวามากไปมันก็ลม้มทางสายกลางการเจริญสติทุกการ การรู้รู้ไม่ใช่ด้วยด้วยการถามไม่ไปในทางที่เผลอหรือเพ่งหรือว่าตามใจกิเลสและกดข่มกิเลสตามใจกิเลสก็ไม่ใช่ทางสายกลางกดข่มมันก็ไม่ใช่เหมือนกันในเรื่องนี้พระเจ้าเคยเคยตรัดเอาไว้เคยตอบคถ า, า, าถามเทวดามหาพระเจ้านิฆามโอภาษสมสาม หรือข้ามพ่วงกิเลสได้อย่างไรู้จาก็ตัตอบว่าพระองค์ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรจึงข้ามอกคาสงสารได้ไม่พักมีหมายถึงอะไรนะไม่พักหมายถึงการไม่ปรุงแต่งไปตามฝ่ายฝ่ายกิเลสคือไม่ยอมตามกิเลสไม่เพียรคืออะไรไม่เปียรคือไม่ไม่ปรุงแต่งไปฝ่ายบวกหรือฝ่ายที่เราปุณอย่างที่สำคัญ ดูความติดดีท่านเ่งไม่เพี้ยนรู้จักว่าเมื่อไม่เพียนเนี่ยจึงข้ามอกข้าสงสารได้ไม่พักก็จึงไม่ลอยไม่เพียนจึงไม่จมจึงข้ามอกข้าสงสารได้ประเด็นสาคัญตรงเนี้คือว่าไม่พักนี่เราก็รู้อยู่แล้วคือไม่ตามใจกิเลสแต่ไม่เพียนนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องทําความสนใจไม่หลงกลงต่งไปตามฝ่ายกุศลหรือไม่ติดดีเพราะว่า บางกิจกมที่แบบเราก็ติดดีอยากจะได้ความสงบอยากจะเกิดปัญญาอยากจะรู้รูปนามอยากจะไปนิพพานเข้าถึงนิพพานทําด้วยความตั้งใจมากไปทําด้วยความอยากเติดดี น, นี้พระอ้จารตัดไปเลยวันนี้พวนี้ไม่ทั้งไม่พักแล้วก็ไม่เปี่ยนจึงข้ามโอกาสสงสารไ ความไม่ไม่เพียรในที่นี้หมายถึงเรื่อมายถึงไม่ทําอะไรนะแต่ว่าทําด้วยความที่จะไม่ไม่ติดดีในการปฏิบัติแตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความแยกคายประคองคใจประคองคใจให้ดีอย่างที่ได้พูดแว้งแกสอสมัยก่อนว่าต้องลองฝึกทําเหมือนกับเล่นๆโดแต่ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ เราอยู่กับทางสุดตรงมาจนเป็นนิสัยนะคือถ้าไม่ขี้เกียจปล่อยตัวปล่อ ย, อ ย, อยใจไปสบายๆก็โหมเต็มที่จะทําแล้วก็ทําด้วยความเพ่งด้วยความบังคับขั บ, ข บ, ขบสาตัวเองอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ถูกโดยเฉพาะเมื่อมากปฏิบัติทําไงจริงๆเราไม่ขี้เกียจแต่ว่าก็ไม่ทําทด้วยความโห o m ทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับสิ่งตรงข้ามที่ต้องต้องมาทำคู่กันเพราะคนคนเราส่วนใหญ่ทำเล่นๆก็ทำเรื่อยๆไม่ได้แหละทำเล่นๆก็ทำได้เป็นพักๆแต่ทำเล่นๆทำเรื่อยๆทำด้วยความจริงจังในแง่ที่ว่าทำทำไม่หยุดคนเราส่วนใหญ่จะทำไม่อยุดได้มันก็ต้องโหมันต้องเอากิเลสเข้ามาล่อืในคนที่จะทำงาน ที่ใหก็ต้องออากิเลสมันรอว่าได้ผลนสัสบังจะได้เลื่อนตำแหน่งบางคนเราติดในอยากได้รางวัลก็ต้องโหมต้องทุ่มอันนี้เป็นวิธีทางโลกแต่วิธีทางทางธรรมนี่มันจะทุ่ม ก, ก็ได้แต่มันไม่ได้ผลหรอกมันกลับทําให้เนืร์ดชาสิอีกอย่างโยมคนเนี้ที่หลวงพ่อเขียนเราเนี่ยยิ่งตั้งใจยิ่งกลับชา ยิ่งอยากถึงเหมือนจัดยิ่งถึงช้าลงาการปฏิบัตินี้ยิ่งอยากได้กลับไม่ได้แต่พอไม่ได้นี่กลับได้เกี่ยวกับมาธนี่พอพอหมดหวังแล้วที่จะปฏิบัติเออการเชิญสติมันก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าเราทําไปแบบค่าเวลานะทําไปแบบค่าเวลาเพื่อให้หมดไปวันๆจะได้พบเดือนก็ได้ไปสักทีทําแบบค่าเวลา เราก็ไม่รวยการทํ า, าทอย่างนั้นนี่มันคือการที่เราค่อยๆคลายจากการเพ่ออง อ, ออกนอกเพ่งเข้าในจเพบเกิดสมดุลระหว่างเพ่งระหว่างในกับนอกขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อเขียนไดในหรือว่าคำเขียนที่เซร่าฟังเอาก่อนว่าอยู่ในกึก่ิะมันไม่เห็นอะไรเห็นแต่ข้างในต้องเปิดประตูออกมาก็าะจะเห็นทั้งข้างนอกและข้างในให้ประคองใจไว้อย่างนั้น คือมีความสมดุลเพียงเข้านั้นก็สุดตรงทางหรือว่าปล่อยออกนอกก็สุดตรงทา ง, างต้องอยู่ตรงนนั้กลางมันจะปมชอนในประตูนี่แหละเห็นทั้งนอกข้างใน อ, อันนี้เป็นมันเป็นศิลปะมากเลยต้องอาศัยความละเอียด อ, อย่อนแต่ว่าละเอียดอ่อนยนี้มันมันไม่ใช่ว่าจะจะต้องบังคับเอา แต่ว่าอาศัยการปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ค่อยรู้ค่อยปรับค่อยแต่งขี่จะกรยานที่จะกรยานเป็นมายก็ลม้มล้มแล้วเราก็ค่อยขี่ขี่ไปแล้วก็ค่อยรู้แล้ ว, ว่าจะทรงตัวอย่างไรมันถึงจะสมดุลรถถึงจะตั้งได้จะไปต่อได้เรื่อยๆมันเป็นศรริลปะนีแน่ที่ว่าอาศัยการปฏิบัติจนคุ้นจนชินแล้วก็ค่อยรู้ค่อยนรู้ไปอธิบายไม่ได้เหมือนจะจะอธิบาย ว่าจะประคองตัวยังไงที่นี่ขับรถจักรยานได้เราประคองเราอธิบาย้คนที่ขับไม่เป็นอธิบายเขาอธิบายไม่ถูกเขาต้องลงรู้ปฏิบัติเองแล้วเขาก็จะค่อยรู้โดยตัวเองอันนี้อที่เรียกว่าสันติโกอันนี้ก็ให้มีความมีความพยายามโดยที่ไม่ต้องอยากมีความพยายามโดยที่ไม่ต้องอยากถ้าอยากก็เป็นอยากที่เป็นฉันทะคืออยากจะทําไม่ต้องไปคํานึงผล พอเมื่อเราไปคํานึงผลนั้นเราไปอยู่กับอนาคตเราไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคือการทํำดีในแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดีตา ม, มองไปที่ไม่ใช่มองไปข้างหน้าไกลแต่ว่าไปอยู่กับสิ่งที่เราทําทําแต่ละขณะให้ดีอาจจะเริ่มต้นจากทําวันนี้ให้ดีวันพรุ่งนี้เป็นยังไงเก็บไว้ก่อนออกพรรษาเป็นยังไงเอาไว้ก่อน ไม่ต้องนับวันนะทวันนี้ให้ดีเสร็จแล้วก็ลดลงมาย่อลงมาว่าทำชั่วโมงนี้ให้ดีแล้วก็ย่อลงมาเป็นทำนาทีนี้ให้ดีนาทีข้างหน้าจะเป็นยังไงเอาไว้ก่อนชั่วโมงข้างในเป็นงไงเอาไว้ก่อนทาชั่วโมงนี้ให้ดีทำนาทีนี้ให้ดีแต่ดีด้วยอาการที่ไม่โผไม่ไม่เพ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ จะจะให้ลองประคองใจดูแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องท้อแท้ถ้ามันจะไม่ได้ผลมันจะทํายากอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นส่วนของการเรียนรู้เหมือนกับเราจะเขียนหนังสือเป็นตัวตอนเด็ดเดดกๆเราต้องยอมทนคือไม่หมายนเขียนไม่เป็นตัวขนาดแม่หรือครูมาจับมือเขียนแต่ยังเขียนกอกาไม่เคเป็นตัวเลย แต่เราก็เขียนไปเรื่อยๆจนหนสือก็เป็นตัวได้หรือเราตอนที่เราเด็กคนนั้นเราเป็นทารกเราจะเดินนี่เดินที่ไรก็ล้มทุกทีเดินที่ไรก็ล้มทุกทีแต่เราก็ไม่เคยพอแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินนั่นแหละลุกขึ้นมาเดินงั่นแหละหนสือก็เดินเป็นจนได้ยังเยวัดสําเร็จได้ด้วยความเพีย แต่เป็นความเพียนคนละอย่างกับพี่ผู้เจไดๆจดไว้ที่ว่าไม่พักและไม่เพียน